นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอเจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้ฟังรายการธรรมะส่สันติทุกท่านวันนี้พบกับรายการอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพมีธรรมะจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัชเกตราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกซึ่งท่านได้ประทานโอวาทให้แก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ศึกษาเรื่องของศีลสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจควรแก่สาธุชนจะได้น้อมเข้าไปตรึกไปฟังไปพินิจพิจารณาไตร่ตองธรรมะที่พระเดชพระคุณจะได้ แสดงให้ฟังจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจสดับรับฟังธรรมบรรยายเรื่องศีล ส, สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์วัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารโดยพร้อมกันณบัดนี้เมื่อท่านทั้งหลายมีโอกาสได้สมาทานศีล จึงขอให้ตั้งใจให้เกิดเป็นวิรัติเจตนาคือเจตนาในการที่จะงดเว้นตามองศีลให้ชัดเจนในใจเพราะว่าการสมาทานศีลของท่านทั้งหลายเป็นการสมาทานศีลเพื่อปฏิบัติธรรม โดยกรงคือเพื่อจเจริญ ก, กรรมฐานนั่นเองจึงควรที่จะได้กำหนดแม้จะว่าเป็นบาลีไม่ได้หมดก็ขอให้ตั้งใจงดเว้นตามองศีนให้ชัดเจนการงดเว้นตามองศีนนั้นมีอยู่เป็นสามตอน ตอนแรกเรียกว่าสมาทานวิรัตคือเป็นเจตนาขณะที่ตั้งใจสมาทานขณะที่ตั้งใจสมาทานนั้นไม่มีสิ่งที่จะให้ล่วงเกินคือไม่มีสิ่งที่จะให้ทำปานาธิบาตไม่มีสิ่งที่จะให้ธรำตินาทานเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้น เราก็ไม่ได้ทาอยู่แล้วเมื่อไม่ได้ทำอยู่แล้วจำเป็นอะไรที่จะต้องสมาทานศีลคนจึงมักจะพูดกันว่าถึงเราไม่ได้สมาทานศีลเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ดีอยู่นั่นเองนั่นเป็นการเป็นการดีครึ่งหนึ่ง ถ้าดีสมบูรณ์นั่นต้องสมาทานสมาทานก็คือสมาทานวิรัตน์นี่เองถือขณะที่สมาทานนี่แหละตั้งใจว่าข้าพเจ้านึกในใจว่าตามมงสีนั่นว่าไปทีละข้อทีละข้อนั้นอย่างหนึง่งและตั้งในใจอาจจะมาขอยกเป็นตัวอย่างอาจจะนึกว่า ขบเจ้ามีชีวิตมาถึงวันนี้ขณะนี้ขบเจ้าไม่มีโอกาสที่จะล่วงละเมิดตามที่กาหนดไว้ในข้อศีลห้าข้อขบเจ้าจึงขอตั้งใจสมาทานให้เป็นองค์ศีลของขพเจ้าเพื่อให้กายกรรมวจีกรรมของขพเจ้า เป็นกายกรรมที่มีศีลเป็นวจีกรรมที่มีศีลี่ยกตัวอย่างอาจจะนึกไม่ใช่อย่างตรงอย่างนี้ก็ได้ทําไมจะต้องนึกอย่างนี้เพื่อต้องการที่จะให้เกิดเป็นสมาทานวิรัติอย่างที่เขาว่าเราถือศีลเราไม่ได้ทําอะไรแล้วจะต้องสมาทานทําไมอย่างนั้นได้ครึ่งหนึ่งเพราะเราไม่ได้มาตั้งใจถ้าได้มาตั้งใจอีกทีหนึ่ง จะสมบูรณ์เรียกว่าสมาทานวิรัตมีเป็นสามตอนนี่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองเรียกว่าสัมปัตตวิรัตหมายถึงเราสมาทานศีลแล้วมีสิ่งที่จะให้ล่วงเกินตามที่ท่านห้ามไว้ในข้อศีลเช่นมีสิ่งที่จะให้เราล่วงฟานาธิบา แต่ว่าเรานึกขึ้นมาได้เราทำไม่ได้เราเป็นคนมีศีลยับศีลมาแล้วไม่ทำเราให้อภัยในชีวิตของเขาไม่ทำเกิดความรู้สึกขึ้นมาในเวลานั้นทันทีห้ามที่จะล่วงละเมิดศีลไม่ทำ อย่างนี้เรียกว่าสัมปตวิรัตมีสิ่งที่จะให้ล่วงละเมิดเกิดขึ้นเฉพาะหน้าและเราหักห้ามไว้ได้ไม่ให้เกิดเป็นการล่วงเกินขึ้นทางกายกรรมนี่เป็นสัมปตวีหรือมีเหตุที่จะให้เราพูดเท็จหรือพูดคำที่เอียงไปทางเท็ เรานึกว่าเอาเธอวันนี้รับศีแล้วยังไงไงขอสักวันหนึ่งเอาไว้พรุ่งนี้วันนี้ไมพูดมันมีสิ่งจำเป็นที่จะต้องพูดแต่ว่างงดพระทีก่อนเพราะเรามีเราสมาทานศีนใช่แล้วอย่างนี้เป็นสัมปตวิรัตเหมือนกัน ศีลเกิดขึ้นทางวจีกรรมวจีกรรมมีศีลแล้วที่ยกตัวอย่างนี่เป็นสัมปัตตวิรัสวีรัสอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสมุิเฉ ท, ทวีรัสหมายถึงการรักษาศีลที่เป็นไปโดยธรรมชาติแล้วได้แก่ศีลของท่านที่เป็นพระอัยบุคคล อย่างเล้าไม่เข้าไปสู่คอของพระยบุคคลล้าเนี่ยเราจะนึกแลกว่าทำไมเล้าไม่เข้าไปเพราะเป็นน้ำแต่ว่าไม่เข้าเพราะจิตไม่รับไแล้วถึงยังไงก็ไม่ดื่มแล้วห้ามได้เด็ดขาดเป็นสมุเฉ ท, ทวิรัตเป็นไปเองโดยธรรมชาติของ มักคจิตของจิตที่เข้าถึงอริยมรรศีนห้ามีอยู่โดยตลอดปานาธิบาตินนาทานการเมสุมชาจารมุสาวาสุรามิยะมัชปมาตฐานมีอยู่ตลอดไม่ต้องสมาทานอย่างนี้เรียกว่าสมุิเฉทวิรัตสมุิเฉนั่นแปลว่าจัดได้เด็ดขาดแล้วนี่แหละ เป็นสามตอนอย่างนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายมีโอกาสได้สมาทานศีลมีโอกาสที่จะปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นมาอย่างแจ่มใสในฐานะเป็นพุทุชนอยู่สองตอนคือตอนที่สมาทานนี้ตอนหนึ่งนั่งอยู่ที่นี่แหละให้นึกว่าเวลานี้กายกรรมของเรามีศีล วจีกรรมของเรามีศีลนึกว่าร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยห้อมล้อมไปด้วยศีลแล้วเราจะปฏิบัติธรรมต่อไปใจก็เป็นธรรมก็จะมีทวารทั้งสามกายทวารวจีทวารมโนทวารกรรมทั้งสามคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม แจมใสและชีวิตของคนเราจะเอาอะไรก็มีเท่านี้แหละที่เราต้องการที่จะให้เกิดเป็นความผ่องแผ้วเกิดเป็นความบริสุทธิ์ผุดพองในจิตในใจของเราในปัจจุบันนี้สับสนอย่างไรท่านทั้งหลายอยู่ข้างนอกทราบดี ไม่ว่าจะเป็นสมณศรีพราหมณ์ไม่ว่าจะเป็นใครมันสับสนเรามีโอกาสมาอยู่ในที่ที่ไม่สับสนปราศจากการหลอกลวงหลอกลออปราศจากการหลอกหลอนปราศจากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีไม่งามโดยประการทั้งปวงเรามันนั่งอยู่ในที่อย่างนี้เนะี่ย เป็นโอกาสอันประเสถิยในชีวิตของเราาังั้นเราต้องหล่อหลอมเองคนอื่นหลอให้ไม่ได้ต้องหล่อหลอมเองหล่อหลอมกายหล่อหลอมวาจาหล่อหลอมใจให้แจ่มใสขึ้นมาให้ได้ให้เป็นกายที่สะอาดวาจาที่สะอาดและใจที่สะอาด คนอื่นที่เขาสับสนวุ่นวายหลอกล่อหลอลวงมีเล่กเท่คนอย่างไรเป็นเรื่องของคนที่เป็นอย่างนั้นแล้วเราตั้งจิตเป็นกรุณาน่าสงสารแก่เขาเหล่านั้นเหลือเกินที่เขาต้องทำ เพราะเขาเห็นว่าวัตถุที่เขาจะนำมาเพื่อดำเนินชีวิตของเขานั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะได้มาบางทีก็ได้มาด้วยความอิจใจว่าได้ทำแล้วทั้งที่เป็นบาปเรียกว่าอิมใจในบาปเขาเป็นอย่างนั้น เขาเห็นไปอย่างนั้นประกอบการที่เป็นทศจริตเราได้อยู่ในธรรมกลางศีลธรรมกลางสมาธิธรรมกลางปัญญาจึงขอให้ตั้งอกตั้งใจให้ดีนี่เป็นการกรารอก่อนที่ท่านทั้งหลายจะมาทานศีลโดยปกติเมื่ออารัธนาพระก็ให้ศีล แต่วันนี้อาตมาขอโอกาสคู่กับท่านทั้งหลายก่อนที่จะเริ่มต้นให้ศีลเพื่อที่จะให้เห็นว่าการสมาทานศีลของเรานั้นไม่เหมือนกันกับที่เราสมาทานอยู่โดยทั่วทั่วไปเราต้องการที่จะให้เป็นฐานของการปฏิบัติธรรมจริงๆ จึงขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจให้ดีนะให้กายกรรมวัจถกรรมมโนกรรมเป็นภาชนะที่พร้อมจะรองรับเบญจสีนส่วนนั่งพอเชิญ น, นั่งตามสบายเพื่อจะนั่งสมาธิไปตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นั่งขัดตมาศเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดข้องให้นั่งโดยสะดวก แต่ว่าอยู่ในลักษณะที่อยู่ในการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ว่าสมาทานศีลไปด้วยกำหนดไปในใจให้ดีขอเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสมาทานเบญจศีลสืบต่อไปณโอกาสแบบนี้ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตัมมะตัมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตัมมัมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตัมมัมพุทัสสะ พุทธังเ่รนังกัจจามิพุทธังเรนังกัจจามิ ธรรมงสนังัจามิธรรมเสนังขจามิจังทังเนังัจามิสังทังังขจามิปุติยัมปีพุทธังนังัจามิปุติยัมปีพุทธังเรนังขจามิปุติยัมปีธรรมงสนังัจามิ ทุติยัมปมางสารนังกัจจามิทุมมติยัมปีสังขังสารนังกัจจามิ ด hmm. ัตติยัมปีพ SI mm. well. ุทธังสรนังัจามิดัตติยัมปุทธังเังขามตยปรมังเังขามิดติยัมมัปรจาัตยมังขังสรนังขามัตติมิสเ ปานาติปะตาเวรนิสิกขาปะทังตมะธียามิานาิปตาเวรนิสิกขาปทังตมธยามิอินนาธานาเวรนสิกขาปทังมธยามิอินาธาเวรุปนิสิกขาปทัง สชาจาาเวรัมณ ha ha ีิขปัตังมิยามิสาีสุเมาจาาเวรมณีิขปัตังมิยามิมุสาวาทาเวรัมณีสิขะปัตังมิยามิมุสาวาทาเว ปสยมตุรเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีศิษฐะปะทัสัมภียมีตุรเมระยะมัชฌปมะทัฏฐานาเวระมณีิปะัสมภียมีปิมานิปัญจศิษฐะปะ สิงยันตีสิเลนะภูคสัมมาชาสิเลนะนิพพิสิงยันตีจตุจมาสีลังวิโตะเจนะต่อไปนี้ก็จะข อ, อะ <c oughs> กล่าวธรรมะบางอย่างบางส ก, การจะ ช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยเพราะท่านทั้งหลายจะได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแบบธรรมกายสืบต่อไปที่พูดมาข้างต้นเป็นการพูดถึงเรื่องศรรีลต่อไปนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องทั่วทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องธรรม เรื่องศีลที่พูดมาแล้วนั้นไม่ใช่ว่าหมดเพราะว่าศีลนั้นละเอียดอ่อนมากเหมือนกันซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าศีลเป็นเบื้องต้นจึงเป็นของที่ไม่ลึกซึ้งเป็นของที่เป็นพื้นฐานธรรมดาแต่ว่า โดยความเป็นจริงแล้วสีนก็มีความละเอียดอ่อนมากเพราะว่าสี น, นั่นเป็นเครื่องแต่งกายแต่งวาจาให้พร้อมไปกันกับใจดังกล่าวมาแล้วข้างต้นพระพุทธศาสนาของเราทั้งหลายที่ มีความงดงามเด่นชัดสว่างสวัยในท่ามกลางลัทธินิกายต่างๆที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลนั้นก่อนเนื่องมาแต่ศีลเป็นเบื้องแรกที่ว่าศีลเป็นเบื่องแรกนั้นก็คือ คนทั้งหลายเห็นชัดเจนที่ศีลข้างในยังไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรตอนที่ยังเป็นฤหัดอยู่เป็นอุปติสสะปริภาชกเป็นอุปติสสะไม่ใช่ปริภาชกเป็นอุปติสสะ คือเป็นครวาด์อยู่ยังไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาดียังไงพระพุทธศาสนาก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ๆไม่นานแต่ไปเห็นพระองค์หนึ่งคือเห็นพระอัสชิอย่างที่ท่านทั้งหลายทราบกันอยู่ดีแล้ว ราชชีเป็นพระในพระพุทธศาสนาและเป็นพระรุ่นแรกพระห้าองค์รุ่นแรกยอดเยี่ยมท่านเดินทางมาทางเมืองราชคุศหลังจากที่อยู่กับพระพุทธเจ้า ที่เมืองพาราณสีเมื่อมาถึงเมืองราชครึกก็ได้ออกไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะกับเวลาบินบาทเช้าๆอุปติศัะเป็นคนหนุ่มไม่เคยเห็น นักบวชอย่างนี้เลยคือนักบวชที่มีกายกรรมวจีกรรมพร้อมท่านเดินก็พร้อมในอิริยาบถเดินดูส่วนประกอบในร่างกายต่างๆเครื่องนุ่งห่มไม่รุ่มรัง ไม่ลุงรังพอเหมาะพอดีพองามเพราะเหตุที่จิตเข้าถึงธรรมสงบรัศมีอิทธิพลอำนาจพละกำลังของธรรมนั้นก็มาประสานกับศีลที่ปรากฏอยู่ทางกายทางวาจานั้น ทำให้เห็นว่าเอ๊ะท่านนี่แปลกและดูไม่เหมือนกับนักบวชทั้งหลายนักบวชทั้งหลายเดินไปก็ไม่ค่อยจะมองให้ได้ซึ้งว่าในใจมีอะไรและเครื่องประกอบในร่างกายก็ รูมราบสำหรับนักบวชที่เห็นมาก่อนนี่เครื่องนุ่งห่มไม่มากแต่พอดีทำไมพระอัศชิจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะพระอัศจิมีศีลนั่นเองศีลเป็นเครื่องแต่ง ให้มีกายกรรมวจีกรรมพอเหมาะพอดีแม้แต่เดินก็เดินในลักษณะพอเหมาะพอดีและดูไม่ช้าไปไม่เร็วไปอยู่ในลักษณะที่งดงามมีอิริยบทเดินงดงามสดุดตาสดุดตาระษาดิบท นักบวชในเวลานั้นมีมากไหมมากคนนับถือกันมากไหมมากอย่างชะดินสามพี่น้องนี่รู้กันไปทั่วว่าเป็นนักบวชที่สำคัญพระพุทธเจ้ากําลังเสด็จไปเพื่อต้องการที่จะพบกับชะดินสามพี่น้องอยู่ตามคุ้งแม่นม้ำสำคัญทั้งนั้นคนรู้กันทีเดียวที่นั่นเก่ง ยังมีนักบวชเจ้าลัทธิต่างๆอีกมากมีชื่อเสียงทั้งนั้นพระสัชธีเดินไปจุดเดียวปรากฏในจิตในใจในความรู้สึกของภาษารีบุตรในลักษณะที่ว่าไม่เคยเห็นพระพุทธศาสนาของเราดีที่นี่เป็นเบื้องแรก สามารถที่จะทำให้กายกรรมวิจีกรรมแตกต่างจากคนทั้งหลายได้พระพุทธศาสนาของเราจึงมีความงามพร้อมทั้งในทางกายทั้งในทางวาจาและในทางใจแต่ว่า พระพุทธตาสนามหมายถึงพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่ใช่พร้อมแต่ข้างนอกทางในไม่พร้อมถ้าทางในไม่พร้อมต้องค่อยๆหัดไปให้เกิดความพร้อมประสานเป็นันเดียวกันขึ้นมาต้องค่อยๆค่อยๆหัดไปค่อยๆหัดไปให้เกิดความพร้อมกันขึ้นมาเป็นันเดียวกันสาธุชนก็ได้รับฟัง ธรรมะจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์กรรมการมหาธิรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกจบไปนั้นก็เป็นเรื่องศีลสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับธรรมะเรื่องนี้ยังไม่จบมีอีกหนึ่งตอนขอเชิญท่านผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังได้ในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้ก่อนจากกันขอส่งท้ายด้วย พุทธศาสนสุภาษิตมาในคุตักนิกายคาถาธรรมบทความว่าอปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายสําหรับวันนี้รายการธรรมสุสันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความ สุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร